พรหมโลกได้เล่าถึงสวรรค์หชั้นแล้วจะได้เล่าถึงพรหมโลกต่อไปสูงขึ้นไปจากสวรรค์ชั้นที่6อีกมากจึงถึงพรหมโลกซึ่งก็มีอยู่มากชั้นซ้อนๆกันขึ้นไปแบบ่งเป็นสองพวกใหญ่ๆคือรูปประพรมและอรูปปะระมอธิบายตามคติทางพระพุทธศาสนาว่าผู้ที่ทำสมาธิจนบรรลุถึงรูปฌานคือฌานที่มีรูปนิมิตเป็นอารมณ์ รูปฌานนั้นย่อมมีวิบากให้ไปเกิดเป็นรูปประรมผู้ที่ทําสมาธิสูงขึ้นไปกว่ารูปฌานคือถึงรูปนิมิตกำหนดอรูปนิมิตคือนิมิตที่ไม่มีรูปเป็นอารมณ์จนได้บรรลุอรูปฌานคือฌานที่มีอรูปนิมิตเป็นอารมณ์ฌานนั้นก็มีวิบากให้ไปเกิดเป็นอรูปประพรมคำว่าพรหมท่านแปลว่าเจริญรุ่งเรืองหมายความว่า จเจริญรุ่งเรืองด้วยคุณอวิเศษมีฌานเป็นต้นรูปรพรมนั้นมีสูงขึ้นเป็นชั้นๆตามภูมิฌานดังต่อไปนี้ชั้นประมรูปฌาน 1. พรมปาริสัจชาแปลว่าเป็นบริษัทของพรมท่านอธิบายว่าเกิดในบริษัทของมหาพรมเป็นผู้บำรุงมหาพรมที่จะกล่าวในชั้นที่สา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 แต่มีความรุ่งเรืองกว่ากันเป็นที่เกิดของผู้ที่ได้ปรถมรูปประชานคือรูปประชานที่หนึ่งถ้าได้อย่างอ่อนก็ให้เกิดในพวกพรมปาริสชาถ้าได้อย่างกลางก็ให้เกิดในพวกพรมโรหิตาถ้าได้อย่างกล้าแข็งก็ให้เกิดในพวกมหาพรมพิจารณาดูพรมสองพวกข้างต้น ตาอธิบายของท่านคล้ายกับมีหน้าที่เป็นบริวารของพวกมหาพรหมดูไม่น่าจะต้องมีหน้าที่เช่นนั้นน่าจะเข้าใจความว่าพวกพรหมปริสัทชาก็คือนับเข้าเป็นพรหมบริษัทเช่นเดียวกับเมื่อนับถือพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาก็นับเป็นพุทธบริษัทเมื่อ ย, ยังไม่ได้ปฏิบัติอะไรให้พิเศษยิ่งขึ้นอันควรจะเรียกด้วยคําอื่นเช่นอุบาสกอุบาสิกา ภิกษุสามเณรก็คงเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทและพวกพรหมปุโรหิตาก็น่าจะหมายสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งโดยความก็คือเป็นพวกพรหมชั้นต้ น, ตนแต่ก็นับว่าเป็นพรหมแล้วชั้นทุติยรูปชาน 4. ปริกตาภาแปลว่ามีรัศมีน้อยคือมีแสงสว่างน้อยกว่าพรหมชั้นสูงสงขึ้นไป 5. อปปมานาภาแปลว่ามีรัศมีไม่มีประมาณคือมีแสงสว่างมากเกินที่จะประมาณได้ 6. อาภัสราแปลว่ามีรัศมีสั้นไปคือแผ่ออกไปแต่ที่นั้นที่นี้ตดสายฟ้าแลบออกจากกลิบเมฆเพราะมีขันทสันดานเกิดจากฌานที่มีปีติอีกในหนึ่งอภัสราแปลว่ามีรัศมีพวยพุ่งคือ หยดย้อยออกเหมือนหยดย้อยออกจากสรีระหรือดูดเปลวไฟแห่งโคมประทีปอีกอย่างหนึ่งอภัสาราแปลว่ามีปกติสว่างสวัยด้วยรัศมีพรมสามจำพวกนี้สถิตยอยู่ในชั้นเดียวกันแต่มีรัศมีรุ่งเรืองกว่ากันเป็นที่เกิดของผู้ที่ได้ทุติยารูปชานคือรูปชานที่สองถ้าได้อย่างอ่อนก็ให้เกิดเป็นพวกพรมปริฏตาภา ถ้าได้อย่างกลางก็ให้เกิดเป็นพวกพรหมอัภมานาภาถ้าได้อย่างแข็งกล้าก็ให้เกิดเป็นพวกพรหมอาภัสราชั้นตติยารูปฌานเจ็ดปริตสุภาแปลว่ามีรัศมีแห่งสรีระสวยงามน้อยคือน้อยกว่าพวกพรหมชั้นสูงขึ้นไป 8. อัปภมาณาสุภาแปลว่ามีรัศมี แห่งสรีระสวยงามไม่มีประมาณคือมากเกินที่จะประมาณได้ 9. สุภกินหาแปลว่ามากมายไปด้วยรัศมีที่สวยงามคือมีรัศมีผุดสว่างทั่วไปแผ่ซ่านออกจากสรีระเป็นอันเดียวกันมีสิริเหมือนอย่างแท่งทองที่โรดรุ่งอยู่ในหีบทองพร้อมสามจะพวกนี้สถิตอยู่ในชั้นเดียวกัน มีรัศมีรุ่งเรืองกว่ากันเป็นที่เกิดของผู้ได้ตติยชาญคือรูปชาญที่สถ้าได้อย่างอ่อนก็ให้เกิดเป็นพวกพรมปริตตสุภาถ้าได้อย่างปานกลางก็ให้เกิดเป็นพวกพรมอัปประมาณสุภาถ้าได้อย่างแข็งกล้าหรือประณีตก็ให้เกิดเป็นพวกพรมสุภกินหาชั้นจะตุตรูปชาญสิ เวหพลาแปลว่ามีผลไพยบู์ซึ่งเกิดขึ้นด้วยอำนาจของฌานชั้นนี้เป็นที่เกิดของผู้ที่ได้จะตุถฌานคือชั้นที่สไม่ได้มีแบ่งเป็นสามชื่อสำหรับผู้ได้อย่างอ่อนอย่างปานกลางและอย่างพระนีตกล่าวไว้ชื่อเดียว ร, มรวมๆกันไปอีกในหนึ่งถ้าแบ่งรูปฌานออกเป็นห้าชั้นชั้นของพรมปริสัชาพรมปุโรหิตา และมหาพรหมสำหรับผู้ได้ปฐมฌานอย่างอ่อนอย่างกลางและอย่างประนีตชั้นของพรมปริตาภาอัปปมานาภาและอาภัสราสําหรับผู้ได้ทุติยฌานและตติยฌานอย่างอ่อนอย่างปานกลางและอย่างประนีชั้นของพรหมปริตสุภาอัปปมาณสุภาและสุภกินหาสําหรับผู้ได้จตุทะฌานอย่างอ่อน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 ก็ไปเกิดเป็นพรมนั่งถ้านอนตายก็ไปเกิดเป็นพรมนอนคือตายในอริยบทใดก็ไปเกิดเป็นพรมมีอริยบทนั้นและก็อยู่ในอริยบทนั้นจนถึงจุติท่านอธิบายว่าในเวลาจุติพอเกิดสัญญาขึ้นก็จุติจากกายนั้นท่านอธิบายไว้ในที่บางแห่งอีกว่าในเวลาว่างพระพุทธศาสนา มีนักบวชในลัทธิเดรถีบางพวกเจริญวาโยกสินได้ถึงจะทุตชาญเห็นโทษในจิตดังกล่าวจึงเพ่งความไม่มีจิตเป็นอารมณ์รั้นตายไปเกิดเป็นอสัญญีพรมการทำสมาธิไม่ให้มีสัญญาเสียเลยนี้ลองพิจารณาดูเมื่อทำได้ก็จะมีอาการดับจิตคือดับจิตสังขารหมดความรู้สึกอะไรอะไรทุกอย่างอย่างอ่อนก็เหมือนหลับ หรือสลบไปอย่างแรงก็เหมือนตายคือแต่ไม่ตายมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรในเวลานั้นทุกอย่างทำให้ดับลงไปได้ในขณะที่อยู่ในอริยบทใดก็อยู่ในอริยบทนั้นเช่นเดียวกับที่ท่านว่าไปเกิดเป็นอสัญญีสัตว์อยู่ในอริยบทอย่างเดียวกับเมื่อเวลาตายน่าจะตรงกับที่ไทยเราเรียกว่าพรหมลูกฟัก ซึ่งมีเพียงขันหนึ่งได้แก่รู ป, ปรขันเท่านั้นไม่มีนามขันเป็นพรหมภายนอกพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ปฏิบัติเพื่อไปเกิดเป็นพรหมพวกนี้วิธีปฏิบัติทุกอย่างทำลองนี้จึงไม่ใช่พระพุทธศาสนาในที่บางแห่งจัดอสัญญีนี้ไว้หน้าชั้นเวหพลาและทั้งสองชั้นนี้อยู่ในพื้นชั้นเดียวกัน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 และพระอาหารหันต์คือพระอริยบุคคลชั้นอนาคามีในโลกนี้สิ้นชีวิตแล้วท่านว่าไปเกิดอยู่ในชั้นสุทธาวาสและจะสําเร็จเป็นพระอาหารหันต์นิพพานในชั้นสุทธาวาสนั้นไม่มีกลับลงมาอีกท่านจึงว่าสุทธาวาสเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีและพระอาหารหันต์หมายถึงพระอนาคามีดังกล่าวและพระอาหารหันต์ที่สําเร็จภายหลังจาก ที่ขึ้นมาเกิดในสวรรค์แล้วสุธาวาสนี้มีอยู่ห้าชั้นนับต่อจากชั้น11เป็นลำดับไปดังนี้ 12. อาวิหาแปลว่าไม่ละฐานของตนโดยการอันน้อยหรือไม่เสื่อมจากสมบัติของตนเป็นภูมิสุธาวาชั้นต้น 13. อสอตปาแปลว่าไม่สะดุ้งกลัวอะไร หรือไม่ทาผู้ใดผู้หนึ่งให้เดือดร้อนเป็นภูมิสุทธาวาสชั้นสองส4สุทัสสาแปลว่าดูงามคือมีรูปงามน่าดูเป็นภูมิสุทธาวาชสชั้นสามส5สุทธศีแปลว่ามีทัศนะคือความเห็นดีบริสุทธิเทธ์เป็นภูมิสุทธาวาสชั้นสี่ 16. กอาการนิฐา แปลว่าไม่มีเป็นรองเพราะมีสมบัติอุกฤตเป็นภูมิสุทาวาชั้นหสุทาวาทั้งห้าชั้นนี้นับเข้าในพรมชั้นจตุรารูปฌานคือฌานที่มีรูปกรรมฐานเป็นอารมณ์ชั้นที่4ชั้นอรมูปฌานสต่อจากนี้ถึงภูมิชั้นของพรมผู้ที่มาเกิดเพราะได้อารูปฌานจัดเป็นสี่ชั้นตามภูมิฌานดังนี้ 1. อากาสานัญญายตนะคือชั้นของพรหมผู้ได้อรูปฌานเพราะได้เจริญอรูปกรรมฐานว่าอากาศไม่มีที่สุดซึ่งเป็นอรูปที่หนึ่งสวิญญาณัญจาตนะคือชั้นของพรหมผู้ได้อรูปฌานเพราะได้เจริญอรูปกรรมฐานว่าวิญญาณไม่มีที่สุดซึ่งเป็นอรูปที่สองสอากินัญยาตนะ คือชั้นของพรหมผู้ได้อรูปประชานเพราะได้เจริญอรูปกรรมฐานว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีซึ่งเป็นอรูปที่สามสเนวสัญญานาะสัญญายตนะคือชั้นของพรหมผู้ได้อรูปประชานเพราะได้เจริญอรูปกรรมฐานที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกจนดับสัญญาอย่างหยาบเหลือแต่สัญญาอย่างละเอียดจึงเรียกว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ เพราะวิถีจิตละเอียดมากคล้ายจะเป็นอสัญญีคือไม่มีสัญญาเสียเลยอย่างคนสลบสลัยสิ้นสัญญาหรือคนหลับสนิทจริงๆไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เพราะยังมีสัญญาละเอียดอยู่ไม่ใช่สิ้นสัญญาเสียหมดเลยซึ่งเป็นอรูปที่สอาอรูปทั้งสชั้นนี้ละเอียดกว่ากันขึ้นไปโดยลำดับรวมพรมทั้งรูปทั้งอรูปเป็น20สบชั้น ถ้ายกพวกอสัญญีพรมเสียก็มี19ชั้นทุศเจดีบนพรหมโลกในไตรภูมิพระร่วงและในปฐมสมโพธิกถาพระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมานุชิตชินโนรสกล่าวไว้ตรงกันว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงผนวดคือก่อนตรัสรู้เรียกว่าพระโพธิสัตว์ พรหมนำบริขารแดจากพรหมโลกมาถวายพระโพธิสัตว์และรับพระภูษาคฤหัตทั้งคู่ขึ้นไปบรรจุไว้ในทุสเจดีในพรหมโลกในไตรภูมิระบุว่าชั้นอคติในปฐมสมโพธระบุชื่อพรหมว่าคติการะพรหมซึ่งเป็นสหายกับพระโพธิสัตว์ครั้งเสวยพระชาติเป็นโชติบาลในศาสนาของพระ สพุทธเจ้าคำ ว, ว่าทุสเจดีแปลว่าเจดีผ้าคงหมายถึงเป็นที่บรรจุผ้าคือพระภูษาดังกล่าวเป็นอันว่าพระพรหมได้พระภูษาคฤหัดขึ้นไปบรรจุในทุสเจดีส่วนพระอินท์ได้พระจุลาโมลีกับผ้าพันโพกพระเสียรขึ้นไปบรรจุในจุลามณีเจดีในกล่าวที่ทรงผนวดนั้นบริขารทั้ง8 ที่คติการพมถวายสำหรับบาทได้มีเหตุพิเศษที่ท่านกล่าวถึงอีกคือเมื่อนางสุชาดาน้อมถาดทองข้าปายาตเข้าไปถวายพระโพธิสัตว์ในเช้าแห่งวันที่จะตรัสรู้บาทดินที่คติการพมถวายมีบรรดาลให้อันตรฐานหายไปไม่ทรงเห็นบาทจึงทรงรับทั้งถาดครั้นตรัสรู้แล้วเมื่อพาณิสสองพี่น้องชื่อ ตปุษกาคนหนึ่งพลิกะคนหนึ่งได้น้อมข้าวสตุกขก้อนตุผงถวายไม่มีบาทที่จะทรงรับพระบาทดินก็ได้หายไปแล้วตั้งแต่เมื่อนางสุชาดาถวายถาดป่าญาติท้าวจตุโล ก, กบาลทั้งสี่นำบาทศิลาจากทิศ ท, ทั้งสี่มาถวายรวมเป็นสี่บาทพระองค์ทรงรับอธิษฐานให้เป็นบาทเดียวกันแล้วทรงรับข้าวสตุของผานิทั้งสอง ต่อมาในคราปริณิพานก็ได้มีเรื่องเกี่ยวแก่พระเจดีย์ทั้งสองนี้อีกในปฐมสมโพธิกถานนั้นกล่าวว่าพระเขียวแก้วเบื้องบนซ้ายขวากับพระราขขวัญเบื้องบนขึ้นไปประดิษฐานอยู่ในจุลามณีเจดีย์พระราขขวัญเบื้องซ้ายกับพระอุณหิษะขึ้นไปประดิษฐานอยู่บนทุสเจดีย์ ในพุทธวงศ์ได้กล่าวถึงที่ประเสฐถานบริขารทั้งหลายของพระพุทธเจ้าวไว้ว่าบาทไม้เท้าจีวร อ, อยู่ในเมืองวชิราสบงอยู่ในเมืองกุณคละผ้าปูบรรทมอยู่ในเมืองศีหละกระบอกกรองประคดเอวอยู่ในเมืองปาตลีบุตรผ้าสงอยู่ในเมืองจำปาอุนาโลมอยู่ในแคว้นโกศล กาสาวพัฒอยู่ในพรหมโลกผ้าโภกอยู่ในเมืองไตรทศคือดาวดึงนิสีธนะอยู่ในอวันตีชนบทภาลออยู่ในเทอตที่สีไฟอยู่ในเมืองมิถิลาผัากรองอยู่ในรัฐวิเทหะมีดและกล่องเข็มอยู่ในเมืองอินทะปัดเป็นอันว่าได้มีบางอย่างขึ้น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 และโลกก็มีเวียนเกิดตายความเกิดขึ้นใหม่ของโลกเป็นการตั้งต้นกลับใหม่ความตายของโลกเป็นการสิ้นกับครั้งหนึ่งความตายของโลกนี้หมายถึงโลกวินาศด้วยเหตุ3อย่างคือไฟน้ำและลมท่านว่าวินาศด้วยไฟเจ็ดครั้งติดติดกันถึงครั้งที่8วินาศด้วยน้ำแล้ววนมาวินาศด้วยไฟน้ำเหมือนดังนั้น อีกแปดหนจึงวินาศด้วยลมครั้งหนึ่งท่านว่าในคราวที่วินาศด้วยไฟเกิดไฟไหม้โลกตั้งแต่อายภูมิต่ําที่สุดถึงมนุษย์สวรรค์จดพรหมชั้นปฐมฌานเหลืออยู่ตั้งแต่ชั้นนั้นขึ้นไปในคราวที่วินาศด้วยน้ํานั้นเกิดน้ําท่วมโลกเหมือนอย่างนั้นแต่สูงขึ้นไปจดพรหมชั้นทุติยตติยฌานเหลืออยู่ตั้งแต่ชั้นนั้นขึ้นไป ในคราวที่วินาศด้วยลมร้ายแรงที่สุดลมทําลายล้างโลกตั้งแต่ชั้นต่ําที่สุดไปจดพรมชั้นจตุตชะานเหลืออยู่แต่ชั้นจตุตชะานเท่านั้นคือตั้งแต่ชั้นเวหพลาที่นับเป็นพรมชั้นที่สิบคตินี้แสดงว่าโลกทั้งหมดตั้งแต่อบายโลกจนถึงพรมโลกตั้งอยู่เนื่องกันอยู่ในคราวเกิดทุกขภัยอย่างใหญ่ก็เนื่องถึงกัน แต่ก็ยังมีเหลือสำหรับเป็นที่สัตว์ที่ถูกภัยได้ขึ้นไปเกิดอาศัยจึงยังมีเชื้อที่จะได้มาเกิดในโลกที่จะกลับมาเกิดขึ้นอีกไม่เช่นนั้นโลกที่กลับมาเกิดใหม่ก็จะเป็นโลกว่างไปเสียคือยังมีที่เหลือให้อพยพไปเกิดกันได้ทุกคราวที่เกิดโลกวินาศฉะนั้นสัตว์โลกจึงไม่วินาศไปจริงเลยอพยพไปเกิดกันในที่อันยังเหลืออยู่นั้นได้ เทพพวกคนทันยังมีพวกเทพหมู่คันธพะที่เรียกว่าคนทัพหรือคนทันรวบรวมไว้ในคันธพะสั่งยุตว่าเทพที่เรียกว่าคันธภะกายมีหลายประเภทคือเทพพวกหนึ่งเกิดอาศัยต้นไม้ที่มีรากหอมเทพพวกหนึ่งเกิดอาศัยต้นไม้ที่มีแก่นหอมเทพพวกหนึ่ง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 โดยสรุปเหตุที่ให้ไปเกิดคือประพฤติสุจริตทางกายวาจาใจและตั้งความปรารถนากับทาทานอีกเทพเหล่านี้เกิดอาศัยต้นไม้ดูเป็นพวกรุกขเทวดาจะอยู่อย่างไรมีความสุขอย่างไรอย่างไม่พบอธิบายจัดได้ว่าเป็นสุขติภูมิเพราะเป็นผลของความดีเรื่องรุกขเทวดาปรากฏว่าได้เป็น ที่เชื่อกันมานานจนถึงมีเล่าไว้ในนิทานต้นบัญญัติที่ให้ตรัดห้ามพระภิกษุตัดต้นไม้ในบาลีวินัยมีเรื่องเล่าว่าภิกษุชาวเมืองอาลาวีตัดต้นไม้เองบ้างให้ตัดบ้างเพื่อนำไม้ไปสร้างกุฏิบังเอิญภิกษุรูปหนึ่งจะตัดไม้ที่มีเทวดาเกิดอาศัยเทวดานั้นได้ร้องห้ามขึ้นว่าภิกษุประสงค์จะทาที่อยู่ของภิกษุ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 ถ้าปรงชีวิตภิกษุก็จะประสบสิ่งไม่เป็นบุญมากตรัสสั่งให้เทวดาไปอยู่ในต้นไม้ที่ว่างอยู่ในโอกาสแห่งหนึ่งครั้งนั้นพวกมนุษย์พากันติเตียนว่าพวกพระสมณะสากยบุตรมาตัดต้นไม้เองบ้างให้ตัดบ้างไม่เบียดเบียนชีวะซึ่งมีอินทรีย์เดียวพระพุทธเจ้าได้ทรงยกเรื่องนี้ขึ้นตรัสว่าพวกคนยังเข้าใจต้นไม้ว่ามีชีวิต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 หาได้กล่าวว่าเขาเชื่อว่ามีเทวดาไหมอาจจะมีคนเข้าใจกันอยู่ทั้งสองอย่างก็ได้หรืออาจจะเข้าใจเป็นอย่างเดียวกันก็ได้คือเทวดากับสิ่งที่เรียกว่าชีวะในต้นไม้ตะกันหรือเป็นอย่างเดียวกันแต่ทุกฝ่ายก็คงเชื่อว่ามีชีวะอยู่ในต้นไม้จะเป็นชีวะของเทวดาผู้สิงสู่อยู่หรือชีวะของต้นไม้นั้นเองโดยตรงก็ตาม อินทรีย์ทั้งหมดที่แสดงไว้สำหรับมนุษย์มี6คือตาหูจมูกลิ้นกายและมณะที่แปลกันว่าใจส่วนต้นไม้ที่ว่ามีอินทรีย์เดียวนั้นมีคำอธิบายว่าท่านกล่าวหมายเอากายอินทรีย์คืออินทรีย์คือกายและคำในบาลีนิทานต้นบัญญัติเรื่องนี้ที่ว่าพวกมนุษย์มีความเข้าใจต้นไม้ว่ามีชีวะนั้น ท่านอธิบายว่าคือมีความเข้าใจต้นไม้ว่าเป็นสัตว์คาว่าสัตว์บาลีว่าสัตตะสันสกฤตว่าสัตวะมักเข้าใจกันว่าหมายถึงผู้ที่มีใจครองเมื่อมีอธิบายว่าต้นไม้มีชีวะคือเป็นสัตว์จึงมีที่เข้าใจว่าต้นไม้มีจิตแต่คำว่าสัตว์มีคำแปลหลายอย่างแปลว่ามีหรือเป็นเท่านั้นก็ได้ เช่นเดียวกับคำว่าผู้ตะแปลว่ามีว่าเป็นเรียกคนหรือเดรัชานว่าผู้ตะแปลว่าผู้มีผู้เป็นเรียกต้นไม้ว่าผูตะคามท่านให้แปลว่ากองของภูตะเหตุที่เรียกต้นไม้ว่าผูตะคามหรือแม้เรียกว่าสัตว์เพึ่งเห็นได้ว่าเพราะมีกายินรีซึ่งมีเกิดมีแก่มีตาย เช่นเดียวกับการยินทรียของมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานต้องด้วยลักษณะของสัตว์หรือภูตะในความหมายว่ามีว่าเป็นอันเป็นชีวะชนิดหนึ่งแต่ไม่พึงเห็นว่าท่านประสงค์ให้เข้าใจว่าต้นไม้มีจิตใจฉะนั้นผู้ที่ถือศีลเว้นจากปาณาติบาตคือปลงปาณนะเช่นสามเณรอุบาสกอุบาสิกาตลอดถึงผู้ที่สมาทานศีลห้า จึงตัดต้นไม้ได้ศีลไม่ขาดในวินัยของภิกษุเองก็มีพระบัญญัติห้ามปลงปานะไว้สิกขาบทหนึ่งห้ามตัดโคนพู้ตคามไว้อีกสิกขาบทหนึ่งถ้าประสงค์ให้ตัดต้นไม้เป็นปานะด้วยแล้วก็ไม่จำต้องบัญญัติไว้สองสิกขาบทคําว่าปานะแปลทับคําลงไปในรูปสัญลกฤตว่าสัตว์มีปรานหมายถึงมีลมหายใจ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 แม้ไม่คิดวิจารณ์ไปถึงภาวะที่ลึกซึ้งคิดแต่เพียงเหตุผลสามัญสิ่งที่เขานับถือเป็นเจดีย์คือเป็นปูชนียาวัตถุแม้ตนจะไม่นับถือก็ไม่ควรจะไปดูหมิน่นไม่ต้องกล่าวถึงว่าจะไปตัดทำลายในครั้งพุทธกาลปรากฏในพระสูตรต่างๆว่าในเมืองต่างๆมีเจดีย์ที่เขานับถือกันมากแห่งเจดีย์ที่กล่าวถึงเหล่านี้หาใช่เป็นเจดีย์อย่างที่เรียก ที่เห็นกันในเมืองไทยเรานี้ไม่โดยมากเป็นต้นไม้ถ้าภิกษุไปตัดต้นไม้ที่เป็นเจดีของเขา่าเขา้าคงเกิดวิวาทระหว่างลทัทธิศาสนาขึ้นได้แน่พระบัญญัติห้ามิิษุตัดต้นไม้จึงเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงในคัมภีร์สามน์เล่าว่ามีธรรมอยู่ข้อหนึ่งสำหรับพวกรุกขเทวดาเรียกว่ารุกธรรมหรือพฤกษธรรมทำข้อนี้ว่า เมื่อต้นไม้ถูกตัดรุกขเทวดาไม่ทำพระทุศจิตคือไม่คิดทำร้ายผู้ตัดและรุกขเทวดาผู้ไม่รักษาธรรมข้อนี้ย่อมถูกห้ามเข้าเทวดาสันนิบาตรุกธรรมข้อนี้เปิดโอกาสให้คนตัดต้นไม้ได้สะดวกคิดดูว่าถ้าไม่มีรุกธรรมคนอาจตัดต้นไม้ลำบากเพราะจะถูกเทวดาโกรธทำร้ายเอา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 ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเทวดาสันนิบาตออกกฎห้ามรุ ก, กเทวดาคิดทำร้ายมนุษย์ผู้ตัดต้นไม้ฝ่ายมนุษย์สันนิบาตออกกฎห้ามนุษย์ตัดต้นไม้ที่ได้ระ บ, บุห้ามไว้เมื่อทั้งสองฝ่ายต่างเคารพปฏิบัติในรุกธรรมดังกล่าวของตนของตนอยู่ก็จะอยู่เป็นสุขด้วยกันทุกฝ่ายบ้านเมืองไร่นาสาโทก็จะมีเพราะจะหักร้างถางป่าสร้างทำขึ้นได้ตามต้องการ ป่าไม้ก็จะมีเพาะจะสงวนไว้และปลูกทดแทนไว้เพียงพอตามต้องการตามที่กล่าวมานี้ได้ว่าไปตรงๆ ต, ตามที่ท่านเล่าไว้แต่ได้กล่าวเกี่ยวโยงเข้ามาถึงมนุษย์ยังไม่ได้พูดถอดความสําหรับผู้ที่ไม่เชื่อเทวดาว่ามีอยู่ตามต้นไม้อันที่จริงก็ไม่จําเป็นจะต้องถอดความเพราะความของเรื่องนี้ชัดเจนปล่อยให้อิงอยู่กับ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 ก็ไม่มีอะไรจะต้องเปลี่ยนไปจากที่เล่าไว้รุกธรรมก็ยังใช้ได้สำหรับต้นไม้คือต้นไม้ทุกต้นไม่มีจิตใจที่คิดทําร้ายควรตัดใครจะตัดก็ไม่ว่าอะไรเท่ากับมีรกปธรรมอยู่เหมือนกันและมนุษย์ก็ต้องสร้างรุกธรรมสำหรับมนุษย์เพื่อรักษาป่าต้นไม้